บทที่12พระสูตรที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตของโอปะปะติกะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันหนึ่งเพื่อต้องการที่จะให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงหลักฐานเรื่องกายทิพจากพระไตรปิฎกซึ่งจะทําให้ท่านแน่ใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เชื่อถือได้จริงๆฉะนั้นจะขอคัดข้อความจากพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ มาให้ท่านได้ศึกษาดังต่อไปนี้ในโปตถาบาทสูตรซึ่งมีอยู่ในคำพีทีขณิกายสีละขันธวัพระใตปิดกเล่มที่9หน้า241มีข้อความอยู่ตอนหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้ดูกระโปตถาบาทโปตถาบาทเป็นชื่อของปรินิพพชกรูปหนึ่ง ซึ่งได้สนทนากับพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องการดับสัญญาและอื่นๆหลายเรื่องการได้อัตตามีอยู่สามอย่างคือ 1. การได้อัตตาที่หยาบโอลาลิโกอัตตาปฏิลาภ 2. การได้อัตตาที่เกิดจากใจมโนโมโยอัตตาปฏิลาภ 3. การได้อัตตาที่ไม่มีรูปอรูปโปอัตตะปฏิลาโภโพตถะบาทการได้อัตตาที่หยาบเป็นชนิดอัตตาใดาซึ่งมีรูปประกอบด้วยท่าสีบริโภคกววลิงการาหารกวะลิงการาหา ร, า ร, า ห, ารหมายถึงอาหารทุกชนิดที่คนกินได้ ตามสับแปลว่าอาหารที่ทำเป็นคำคำสำหรับใส่ปากการได้อัตราเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตราที่หยาบ 2. การได้อัตราที่สำเร็จด้วยใจเป็นชไหนอัตราใดาซึ่งมีรูปสำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์บริบูรณ์การได้อัตราเช่นนี้ เรียกว่าการได้อัตตาที่สําเร็จด้วยใจ 3. การได้อัตตาที่ไม่มีรูปเป็นชนไหนอัตตาใดไม่มีรูปเป็นอัตตาที่สําเร็จด้วยสัญญาการได้อัตตาเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตตาที่ไม่มีรูปข้อความในพระสูวดนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นอัตตานาน โดยปกติมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งอัตตาที่หยาบซึ่งได้แก่ร่างกายของคนเราสองอัตตาที่สำเร็จด้วยใจซึ่งได้แก่กายทิพย์หรือรูปร่างของโอปปะปติกะทั้งหลายผู้ที่มีกายทิพย์หรือที่เรียกในที่นี้ว่าอัตตาที่สำเร็จด้วยใจนานก็ได้แก่พวกที่เกิดในอวัยภูมสีคือนรก เปรตอสุรกายเดรัจฉานซึ่งเดรัจฉานที่เป็นโอปะปะติกะก็มีและพวกที่ไปเกิดเป็นเทวดาและรูปประพมในภูมิต่างๆ 3. อัตตาที่ไม่มีรูปซึ่งได้แก่พวกที่ได้อรูปประชานตายแล้วไปเกิดเป็นอรูปประพมเฉพาะข้อที่สองที่กล่าวถึงอัตตาที่สำเร็จด้วยใจนาน ขอท่านผู้อ่านได้โปรดสังเกตข้อความที่เป็นพุทธพจน์ให้ละเอียดเพราะจะทำให้เข้าใจเรื่องโอปปฏติกะหรือเรื่องกายชิพชัดเจนขึ้นซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าอัตตาที่สำเร็จด้วยจายนั้นเป็นอัตตาที่มีรูปมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรียบริบูรณ์บทที่สิบสามมโนมยิทธิอันหนึ่ง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 ตัวอย่างต่างๆดังที่กล่าวมานี้เราถือเป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้นยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ที่เด็ดขาดเพราะการพิสูจน์เรื่องนี้ที่จะทำให้เกิดความแน่ใจจริงๆนั้นอยู่ที่การได้สำเร็จมโนโมยิทิเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะได้นำหลักฐานเกี่ยวกวับเรื่องนี้จากพระตไตรปิฎกมาให้ท่านได้ศึกษาดังต่อไปนี้ภิสูนั้น เมื่อมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเครื่องยียยนปราศจากอุปเกเรททั้งหลายเป็นจิตอ่อนโยนควรแกการงานดำรงอยู่มั่นคงไม่หวั่นไหวฉช่นนั้นแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อจะนรมิตกายที่สำเร็จด้วยใจครั้นแล้วเธอก็นารมิตกายขึ้นอีกกายหนึ่งจากกายนี้ได้ ซึ่งกายที่นรมิตรขึ้นนั้นเป็นกายที่มีรูปเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์สมบูรณ์คือมีอายตนะภายในยครบทุกอย่างมหาราชะเปรียบเหมือนวรุษชกักไสออกจากญ้าปล้องฉะนั้นจากสามัญยผลสูตรข้อความที่อ้างมานี้เป็นพุทธพจน์ตอนหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าอาชาติศัตรูถึงเรื่องผลแห่งความเป็นสมณะและผลแห่งการปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระองค์ว่ามีอยู่อย่างไรบ้างจากข้อความที่อ้างมานี้ขอให้สังเกตเป็นพิเศษและได้โปรดนําไปเปรียบเทียบกับข้อความที่พระองค์ตรัสถึงสภาพแห่งรูปของโอปะปะติกะว่า การได้อัตตาที่สําเร็จด้วยใจเป็นฉนิดอัตตาใด 1. ซึ่งมีรูปสําเร็จด้วยใจ 2. มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน 3. ม, มีอินทรีย์บริบูรณ์การได้อัตตาเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตตาที่สําเร็จด้วยใจจงสังเกตว่าผู้ที่ตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะ กายที่เกิดนั้นก็เป็นกายที่สาเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์บริบูรณ์และผู้ที่ได้สมาธิขั้นสูงก็สามารถที่จะนัลลมิตกายซึ่งมีรูปร่าง 1. เป็นกายสาเร็จด้วยใจ 2. มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน 3. ม, มีอินทรีย์บริบูรณ์เหมือนกันอันหนึ่งกายที่สาเร็จด้วยใจ บางทีก็เรียกว่ากายทิพย์ซึ่งในคำพีก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันดังนี้มีอยู่ท่านผู้เจริญอัตตาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกายทิพย์มีรูปเป็นกามาพจรมีกวะลิงการาหารเป็นภักษาจากพรหมชารสูตรกายทิพย์ในที่นี้ก็หมายถึงรูปกายของโอปะปะติกะซึ่งเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจเหมือนกัน ยกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่ากายที่สําเร็จด้วยใจนั้นบางทีก็เรียกว่ากายทิพย์บทที่สิบสี่ทิพยะจากสุอันหนึ่งเพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงหลักฐานจากพระใจปิดกที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนถ้าสามารถฝึกสมาธิได้ถึงขั้นสูงคืออย่างน้อยจะต้องได้ฌานที่สี่ก็จะสามารถมีตาทิพย์เกิดขึ้น เมื่อมีตาทิพย์เกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถมองเห็นโอปะปะติกะทั้งหลายได้และติดต่อกับโอปะปะติกะทั้งหลายได้ด้วยความสามารถอันนี้ซึ่งถ้าหากผู้ใดมีคนนั้นก็จะเกิดความแน่ใจว่าคนเราเมื่อตายแล้วไม่สูญทุกคนเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดเป็นโอปะปะติกะซึ่งมีร่างกายเกิดจากใจ คำบาลีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ยาวมากฉะนั้นจะไม่ขอคัดมาแต่จะแปลออกมาให้ท่านได้ศึกษาเลยดังต่อไปนี้ภิกษุนั้นเมื่อมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไป เพื่อจะรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายพรั่นแล้วเธอก็จะเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเรวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจกักษุอันบริสุทธิ์ซึ่งเห็นอะไรได้มากกว่าจากักษุของมนุษย์และย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปตามกรรมว่า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 เป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเร็วประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยญกด้วยทิพยะจากสู่อันบริสุทธิ์ ซึงเห็นอะไรได้มากกว่าจักษุของมนุษย์และย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่ศาสผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้เปรียบเหมือนมีปราสาทตั้งอยู่หน้าทางสามแพร่งทถ้ำกลางพระนครบุรุษผู้มีจักษุดียืนอยู่บนปราศาสนั้นก็จะพึงเห็นหมู่ชนที่กําลังเข้าไปสู่เรือนหรือที่กําลังออกจากเรือนหรือที่กําลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนน หรือที่นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครฉะนั้นจึงรู้ว่าคนเหล่านี้กำลังเข้าสู่เรือนเหล่านี้คนเหล่านี้กำลังออกจากเรือนเหล่านี้คนเหล่านี้กำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนเหล่านี้คนเหล่านี้กำลังนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครฉะนั้นจากสามัญญผลสูตร จากข้อความในพระสวดนี้ท่านจะเห็นว่าผู้ที่ได้ทิพยจักสู น, นั้นสามารถที่จะรู้ว่าคนที่ตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดเป็นอะไรด้วยวิบากกรรมอะไรมองเห็นได้เหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนปราศาสมองเห็นคนที่สัญจรไปมาตามถนนหรือมองเห็นคนที่เข้าออกจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่ง ยานที่รู้อย่างนี้เรียกว่าจุตูปปาทยานซึ่งแปลว่ายานที่รู้การจุติและการปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายและยานอันนี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อต้องมีตาทิพมองเห็นโอปปาติกะทั้งหลายได้และจะต้องมีความรู้ในเรื่องกฎของกรรมและกฎของสังสารวัตรเป็นอย่างดีด้วยและผู้ที่จะรู้เรื่องสังสารวัตร และกฎของกรรมยังแจมแจ้งได้จริงๆนั้นก็ต่อเมื่อมีความสามารถระลึกชาติได้ขอให้สังเกตว่าในคืนวันวิสาขะซึ่งเป็นคืนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นในพุทธประวัติบอกว่าในยามที่หนึ่งพระ อ, องค์ได้ทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติยานคือยานที่ทําให้ระลึกชาติได้และต่อมายามที่สอง พระองค์ได้ทรงบรรลุจุตูปปาฏยานยานที่ทำให้รู้แจ้งเรื่องการตายและการเกิดบทที่สิบห้าเหตุแห่งความฝันสี่อย่าง ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาหลายครั้งแล้วว่าการที่จะรู้ว่าตัวเราเอากําเนิดมาจากวิญญาณ น, นั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือพยายามศึกษาเรื่องตัวตนในความฝันให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ ง, จงซึ่งเรื่องนี้ได้อธิบายมาแล้วขอให้ย้อนกลับไปอ่านดูในหน้าสิบห้าและเท่าที่กล่าวมานั้นเป็นการอธิบายให้เข้าใจโดยง่ายก่อน ข้าพเจ้ายัางไม่ได้แสดงหลักฐานจากในคำพีเพราะฉะนั้นต่อแต่ไปนี้ข้าพเจ้าจะได้ยกหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องเหตุแห่งความฝันมาให้ท่านศึกษาซึ่งในคำพีได้ที่บายไว้ว่ามีอยู่4ีอย่างคือหนึ่งท่าตุโขพระเพราะท่ากำเริบข้อนี้หมายความว่าคนที่ฝันนอนหลับไม่สนิทเพราะร่างกายไม่สบาย มีสิ่งรบกวนทางประสาทมากความฝันประเภทนี้เป็นเรื่องเปะปะไม่ติดต่อเป็นเรื่องเป็นราวเชื่อถืออะไรไม่ได้คนส่วนมากที่ฝันกันมักจะอยู่ในข้อนี้สองอนุภูตะปุพะเพราะเคยรู้เคยเห็นมาก่อนข้อนี้หมายความว่าสิ่งใดที่เคยรู้เคยเห็นมาสิ่งเหล่านั้นย่อมจะฝังอยู่ในใจ และเมื่อคนเรานอนหลับสิ่งเหล่านี้ก็มักจะปรากฏขึ้นมาเป็นความฝันข้อนี้บางทีก็เรียกว่าจิตตะวิวร์สเทวโตประสังหารณะเพราะเทวดาโดนใจหรือชักจูงข้อนี้หมายความว่าวางคนในขณะที่นอนหลับจิตจะอยู่ในภาวะที่สา ม, มารถจะติดต่อ หรือรับความคิดจากโอปะปะติกาได้ซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งในตอนนี้เองเป็นโอกาสที่โอปะปะติกะสามารถจะบอกเป็นคำพูดอย่างตรงไปตรงมาหรือบอกเป็นปริศนาหรือแสดงภาพนิมิตยอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นหรือบรรดาลให้เ ห, เห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้อนี้บางทีก็เรียกว่าเทวดาสังหรณ โปรสังเกตว่าคําว่าเทวดาในทีน่นี้หมายถึงโอปปปติกะทั่วไปซึ่งอาจจะเป็นโอปปปฏิกะที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สี่ปุพานิมิตพระบุญรบาบที่เคยทําไว้ในครั้งก่อนๆแสดงนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้เห็นซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์บอกเราให้รู้ว่าจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นในการข้างหน้า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 จากหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องความฝันในคำภีของพุทธศาสนาดังที่กล่าวมานี้ท่านจะเห็นได้ว่าเรื่องความฝันที่เป็นจริงได้ยอมรับกันมานานแล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยเฉพาะข้อที่สามที่กล่าวกันว่ามีโอปะปะติกะมาเข้าฝันหัวข้อนี้เราจะอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะต้องยอมรับว่า การที่คนบางคนนอนหลับแล้วฝันเห็นพวกโอปปติกะทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นการเห็นด้วยประสาทตาธรรมดาอย่างที่เราเห็นอะไรกันอยู่ในโลกมนุษย์แต่หากจะต้องเห็นด้วยประสาทอีกชนิดหนึ่งซึ่งประสาทที่ว่า น, นี้ก็เป็นประสาทที่ใช้การได้ดีเพราะสามารถเห็นอะไรได้ถูกต้องตามความเป็นจริง ประสาทที่ว่านี้ก็คือประสาทของกายทิพย์นั่นเองจึงสามารถเห็นพวกกายทิพย์ได้ปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่ากายทิพย์เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งเราก็รู้แน่แล้วว่ากายทิพย์เกิดจากจิตไร้สำนึกหรือพวังขจิตเท่านั้นจะเกิดจากอย่างอื่นไม่ได้และกายทิพย์ที่เกิดจากใจนี้ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตด้วย และทําไมจึงมีชีวิตอันนี้ได้อธิบายมามากแล้วความฝันข้อที่สี่ซึ่งเกิดจากวิบากของกรรมหรือพูดอีกในหนึ่งว่าเกิดจากความสามารถของวิญญาณในส่วนลึกคือผวังขจิตถ้าท่านเคยมีความรู้เกี่ยวกับคนบางคนที่มีสมาธิสูงซึ่งในเมื่อเข้าสมาธิไปแล้วสามารถที่จะรู้เห็นเหตุการณ์ข้างหน้าได้ ท่านก็จะยอมรับความจริงในเรื่องนี้ว่าความฝันในข้อที่สี่นี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขอให้เข้าใจว่าวิบากต่างๆที่สะสมเอาไว้เมื่อถึงคราวที่มันจะให้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมจะปรากฏสัญลักษณ์ออกมาให้เห็นเสมอโดยเฉพาะในเมื่อจะมีเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะในทางดีหรือในทางร้าย ตัวอย่างในวรรณคดีก็เช่นนางพิมพในเรื่องขุนช่างขุนแผนในคืนก่อนที่จะถูกประหารชีวิตได้ฝันว่ามีจระเข้มาคาบออกไปอย่างนี้เป็นต้นพระนางสิริมห า, มายาเมื่อคราวที่พระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราจะเสด็จลงมาปฏิสนธิในพระคันพระนางสิริมห า, มายาก็ได้ทรงสุดบินว่า ได้เห็นช้างเผือกขาวผ่องเสด็จเข้ามาในห้องบรรทมพระพุทธเจ้าในคืนวันก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็ได้ทรงสุบินว่าพระกายของพระองค์ได้นอนเต็มผืนแผ่นดินใหญ่พระหัตถ์ทั้งสองและพระบาททั้งสองโจดฝั่งมหาสมุทรส่วนพระเสียนพาดอยู่บนเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่า พระองค์จะได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นความสามารถของจิตไร้สํานึกอันเนื่องมาจากวิบากต่างๆที่สะสมเอาไว้นั้นสามารถที่จะบรนดาลให้คนเรารู้อะไรต่ออะไรได้หลายอย่างความสามารถอย่างนี้มีด้วยกันทุกคนและถ้าคนไหนสามารถเอาความสามารถที่ว่านี้ออกมาใช้ได้ตามความตั้งใจ เขาก็จะเป็นผู้วิเศษที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้โดยไม่ยากและเมื่อทราบเหตุการณ์ของตนได้ก็สามารถที่จะทราบของผู้อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกับการระลึกชาติ